Copyright g o e t h e s e l a g München. Book two. Clips free in นหล y l a า g u a e n e e n e e Kon. Menschen. Menschen. d i e c h a n ดิฉันและคุณเอกและยัยอกและย่เราทั้งสองไว้ดันไปดันเขาให้ใหเขาและเธอเขาและเธอ ให้เอ็นใจเขาทั้งสอง zij <ij> beiden zij beiden poe shai de man de man poe ying de vrouw de vrouw dek het kind เด็กครอบครัวรอบครัวอบครัวของดิฉันีครอบครัวของดิฉันอยู่ที่นี่ครอบครัวครอบครัวของดิฉันอยู่ที่นี่ m รอบครัวของดิฉันอยู่ยรรับครัวของดูฉันอย่งนัน ดิฉันอยู่ที่นี่ฉันอยู่ที่น ben hier คุณอยู่ที่นี่ jij b ย n t hier jij b e อยู่ที่นาอยู่ที่นี่และอยู่ที่นออยู่ที่นี่ hij is hier en zij is hier hij is hier en zij is hier เราอยู่ที่นี่วัยเซนฮ e คุณอยู่ที่นี่ยุลีเซยุ e ีเพวกเขาทุกคนอยู่ที่นี่